โยมมาเรียนกันสม่ำเสมอนะคนที่มาเรียนได้่อยๆ น, นะตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้สภาพจิตใจไม่เหมือนเดิมดูผิดมนุษย์มนา <c oughs> จิตใจมนุษย์ทั่วๆไปมันดำดำมืดๆดำดำหลงๆเราภาวนาเราหัดรู้สึกรู้สึกเราไม่เหมือนคนทั่วๆไปคนทั่วไปไม่เคยตื่น ใจของพวกเราค่อยๆตื่นขึ้นตื่นขึ้นบางคนเตื่นได้ดีมากๆเลยทั้งพระทั้งโยมพระที่ท่านมาเรียนได้ท่านก็ดีขึ้นกันเหมือนกันบา อ, องค์ดีพี่ทูพิดตาอาจารย์กฤิตรีผิดทูผิดตาเลยอาจารย์กริตท่านบอกท่านจับหลักได้แล้วมันง่ายอยู่ที่เข้าใจเท่านั้นเราภาวนานะเราสู้กับความไม่รู้ สู้กับความหลงผิดของตัวเองเท่านั้นเองไม่ได้ภาวนาเอาอะไรวิเศษวิโสอะไรหรอกไม่ได้ภาวนาเอาดีเอาความสุขความสงบบางคนมักน้อยขอแค่สมถะภาวนาให้จิตรวมนี่มักน้อยมักน้อยอย่างนี้ไม่ฉลาดหรอ ก, อกเป็นมนุษย์ทั้งทนะีเจอพระพุทธศาสนาทั้งที ทำได้แค่สมถกรกมฐานสมถกรกมฐานนไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันได้มันไม่เคยว่างไปจากโลกเลยในาศาสนาอื่นก็มีสมถกรกมทานหรือศรีชีพไรเขาก็ทำอย่างาศาสนาคริสต์นะก็ไปร้องเพลงในโบสถ์ร้องเพลงจิตใจมีความสุขมีความสงบมันก็คือสมถะ มุสลิมที่ดีๆนะเขาก็ละหมาดวันละหครั้งคิดถึงพระเจ้าของเขาวันละหครั้งก็คือสมถะกรรมฐานนะก็ดีดีกว่าคนคนไทยส่วนมากนะชาวพุทธนะ่ะไหวพระวันละครั้งยังทําไม่ได้เลยนะ่อนาะถนี่พวกเราได้สนใจธรรมะนะเราต้องเรียนธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้าให้ได้ต้องรู้วิปัสสนาให้ได้นะ มีปรัชนากรรมฐานใ่มีเฉพาะในศาสนาพุทธที่อื่นไม่มีเป็นศาสตร์ว่าด้วยความพ้นทุกข์ที่อัศจรรย์ที่สุดเลยของคนอื่นเขามีวิธีพ้นทุกข์โดยการหลีกเลี่ยงความทุกข์ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานขึ้นมาเนี่ยนะจนถึงมนุษย์ฉลาดฉเฉลียวแค่ไหนเวลาเจอความทุกข์ก็จะหาวิธีเลี่ยงความทุกข์เปนหนีมันเหมือนกันหมดอนะ อย่างหมามันถูกไล่ตีมก็วิ่งหนีนักปฏิบัติประจิตฟุ้งซ่านก็หลบก็าหาความสงบก็หนีเหมือนกันคนธรรมดาธรรมดากลุ้มใจไปกินเหล้ามันก็หนีเหมือนกันไปดูหนังไปฟังเพลงเผลอเเพลิเลเลเลนเปนไปวันวันหนึง่งมันก็รู้สึกว่ามีความสุขมันมีความสุขด้วยกันหนีความทุกข์ไปพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนชาวพุทธให้เป็นคนขี้แพ้ขี้หนีอย่างนั้นนะ ความทุกข์อยู่ที่ไหนท่านให้หันหน้าเผชินกับมันความทุกข์อยู่ที่กายให้รู้ลงที่กายความทุกข์อยู่ที่จิตให้รู้ลงที่จิตให้รู้ลงมาเลยเรียนรู้มันไม่ใช่หนีมันหนีมันไม่มีวันชนะนะถ้าสู้นี่พอชนะนะวิธีสู้ก็สู้อย่างฉลาดไม่ได้สู้แบบบัวแบบควายเอาแรงเข้ากิดมันเช่นเห็นใจแน่นๆก็หาทาง ทำไงใจจะเบาๆบานี่หาทางแก้ไขต่อสู้กิเลสมาหรืออดข้าวมันไม่กินข้าวพอเราจะตายเดี๋ยวกิเลสมันตายก่อนเนี่ยมันไม่ตายหรอกมันก็จะตายไปพร้อมกิเลสนั่นแหละคือตายไปโดยมีกิเลสติดนอติดตัวไปด้วยบางคนก็อดนอนทรมานตัวเองอย่างนู้นอย่างนี้สู้แบบใช้กําลังเข้าต่อสู้ มันไม่ใช่วิธีแห่งพุทธะวิธีแห่งพุทธะก็คือพุทธะนั่นเองพุทธะแปลว่ารู้พุทธะไม่ได้แปลอย่างอื่นนะพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานั้นความทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงที่กายนี่วิธีแห่งพุทธะความทุกข์อยู่ที่จิตใจรู้ลงที่จิตใจนี่คือวิธีแห่งพุทธะวิธีทางของพวกเราชาวพุทธก็ต้องใช้วิธีรู้เอา พระพุทธเจ้าถึงสอนว่าทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้ละไม่ใช่ทุกข์ให้หนีไม่ใช่ให้ทุกข์ทำไม่รู้ไม่ชี้ทุกข์เราให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ทำไม่รู้ไม่ชี้นะทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่กายรู้ลงที่กายทุกข์อยู่ที่ใจรู้ลงที่ใจทำไมกายมันทุกข์แล้วเราทุกข์ด้วยทำไมใจมันทุกข์แล้วเราปล่อยไปทุกข์ด้วยเพราะเรายึดถือในกายในใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา ก็ากายมันทุกข์เราก็เลยทุกข์ด้วยใจมันทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยอะไรเกิดขึ้นมาเช่ในใจมันมันทำงานจิตมันทํางานหมุนติ้วติ้ติตขึ้นมาเราไม่ชอบเราก็ทุกข์ด้วยพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ลงในกายรูล้ลงในใจจนวันหนึ่งไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจไม่ยึดถือเพราะมีปัญญาเห็นว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษเป็นตัวทุกข์ล้วนๆนี่ภาวนาให้ได้อย่างนี้นะ รูล้ลงในกายในใจจนวันหนึ่งเห็นมันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆจิตมันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไปคราวนี้กายทุกข์หรือจิตใจจะเป็นยังไงขึ้นมาเนี่ยเราไม่ทุกข์ด้วยแล้วมันไม่มีเราจะทุกข์ดังต้องฝึกนะไม่ใช่หนีไปเรื่อยๆไออาก็มุดๆเข้าไปจะให้จิตสงบอย่างเดียวจิตสงบอย่างเดียวมันลือสีชีไฟเขาก็ทํามาก่อนมันพ้นทุกข์ชั่วคราว ด้วยการหลบหนีของเราให้รู้นะรู้ลงในกายรู้ลงในใจเชนมหาบัวเคยสอนหลวงพ่อบอกการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปรู้ลงไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนี่การรู้ต้องรู้ด้วยความเป็นกลางๆนะไม่ใช่รู้แล้วก็เข้าไปแทรกแซงเห็นจิตไม่สงบก็าหาทางทําให้สงบเห็นจิตไม่ดีหาทางทําให้ดีนะ อันนี้รู้แล้วแทรกแสงเรารู้เพื่อให้เห็นความจริงของมันเท่านั้นเองว่ามันเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นว่าทั้งกายทั้งใจนะเป็นของไม่เที่ยงทั้งกายทั้งใจเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปแทรกแสงเช่นความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ว่ามันของชั่วคราวเราก็ไม่ต้องไปแทรกแสงให้มันหายทุกข์ความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าเป็นของโชัวคราวไม่ต้องไปแทรกแสงพยายามรักษาอะไร ใจมันหมดความทิ่นิรนนะหมดการแทรกแซงใจจะรู้ด้วยความเป็นกลางจริงๆรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ปรุงแต่งต่อแล้วรู้สักว่ารู้สักว่าเห็นพวกเราได้ยินคําว่าสักว่าสักว่าบ่อยๆนะแล้วก็มักจะขี้โม้คุยอวดว่าดิฉันสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่จริงหรอกหลวพ่อก็ขี้เกียจขัดคอนะสักว่ารู้สักว่าเห็นจริงๆนะั่นเกิดตอนที่ปัญญาแก่รอบแล้ว จิตต้องมีสังขารู้เบกขายานถึงจะสักว่ารู้สักว่าเห็นได้สังขารู้เบกขาหมายถึงอุเบกขาต่อความปรุงแตง่งแต่อุเบกขานี่ไม่ได้ข่มไว้ไม่ได้กดไว้แต่เกิดจากยานยานคือปัญญาคือความอย่างรู้อย่างรู้อะไรอย่างรู้ความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจอย่างรู้ไปจนพอนะใจจะเป็นกลางเป็นกลางต่อกายต่อใจ อย่างมันรู้เลยร่างกายนี้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเท่านั้นจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายพอร่างกายมันแก่นะก็ไม่กลุ้มใจนะจิตเป็นกลางร่างกายมันเจ็บก็ไม่กลุ้มใจร่างกายมันสดชื่นแข็งแรงก็ไม่หลงระเริงเป็นกลางอยู่อย่างเงี้ยเป็นกลางกับกายในทางจิตใจก็เหมือนกัน ก็เห็นจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวร้ายก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวแถมบังคับไม่ได้ด้วยสั่งให้สุขก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่ยปัญญาแก่รอบจริงๆนะใจจิตมันจะเป็นกลางจิตใจมีความทุกข์ขึ้นมา ก็เห็นแต่แค่ว่าเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้ไม่มีความคิดที่จะแทรกแซงให้หายทุกข์จิตมีความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็รู้ว่ามันมีเหตุมันก็เกิดนะความฟุ้งซ่านห้ามมันไม่ให้เกิดไม่ได้ก็แค่รู้แค่เห็นเห็นแต่สภาวะเห็นแต่ความฟุ้งซ่านแต่ว่าไม่มีตัวเราความฟุ้งซ่านมันไม่ใช่ตัวเราจิตที่ไปรู้ความฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่ตัวเราไม่มี เห็นทุกอย่างทุกอย่างนะั้นเป็นไตรลักษณนะ์จิตจะเป็นกลางความสุขก็เห็นว่าชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวนี่ทุกอย่างเสมอกันหมดเลยเพอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเสมอภาคกันหมดใจจะเป็นกลางใจจะหมดความดิ้นรนนี่เรียกว่ามีปัญญาปัญญาที่ชื่อสังขารู้เบกขาสังขารู้เบกขายานเกิดขึ้นจิตจะสักว่ารู้สักว่าเห็นได้คันนี้ จะสักว่ารู้สักว่าเห็นเมื่อจิตสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะทั้งหลายจิตจะไม่ปรุงแต่งต่อรู้แล้วจบลงที่รู้เห็นไหมครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสอนนะรู้แล้วจบลงที่รู้นะเราก็ฟังก็เพลินพไปอย่างง้น่ะมันไม่จบหรอกรู้แล้วก็ปรุงแต่งรู้แล้วหยุดไม่ได้หรอกมันยังไงก็ต้องปรุงแต่งเพราะปัญญามันไม่พอบางคนก็อยากจะไม่ปรุงแต่งต่อพรารู้อะไรก็ ร, รีบกาหนดลงไปเลย เป็นตามองเห็นรูปกําหนดอยู่ที่ตาบ้างกําหนดอยู่ที่รูปบ้างกําหนดอยู่ที่ผัสสะบ้างกําหนดอยู่ที่จิตทางตาบ้างจิตก็นิ่งๆไปเลยเพราะจิตที่เกิดที่ตาแล้วก็เป็นอุเบกขาไม่มีสุขไม่มีทุกข์อะไรอยู่นล้วโดยตัวมันเองก็คิดว่าดีจิตที่เกิดที่ตาเป็นวิบากจิตไม่มีกุศลอกุศลก็คิดว่าอยู่ตรงนี้เราดีไม่เพ่งอยู่ที่ตาบ้างเพ่งอยู่ที่หูบ้างเพ่งอยู่ที่จมูกที่ลิ้นที่กายบ้างนะเพ่งอยู่ จิตก็เฉยๆล้วคิดว่าดีตรงที่จงใจเพ่งนั่นแหละทําต่อเรียบร้อยแล้วไม่ใช่รู้แล้วจบลงที่รู้รู้แล้วมีการแทรกแซงให้ตามองเห็นรูปปุ๊บเห็นหนอนรืแทรกแซงนะคิดแล้วนี่ฟุ้งซ่านไปแล้วหรือไปเพ่งอยู่ที่จิตที่เกิดที่ตาตอนที่ตากระทบรูปนี้เพ่งได้สี่แบบนี่ไม่มีใครสอนนะสอนเองเพ่งอะไรได้บ้างอันหนึ่งเพ่งรูป อันที่หนึ่งะเพ่งรูปที่ตาไปเห็นอันที่สองเพ่งจากขู่ประสาทประสาทตาเพ่งได้นะเพ่งประสาทตาเพ่งนี่เพ่งประสาทตานี่เพ่งรูปออกข้างนอกเพ่งประสาทตาอยู่ข้างในนะเพ่งอายตนะเพ่งที่สาคือจดจ่ออยู่ที่การกระทบการกระทบอยู่ตรงจุดกระทบตรงที่กระทบสัมผัสทางตาอีกอันหนึ่งเพ่งอยู่ที่จิตที่เกิดที่ตา ทําได้สี่แบบนะีบรรดานักเพ่งทั้งหลายนะหนีไม่รอดสี่อย่างนี้นี่หลวงพ่อสรุปมาจากการสังเกตตัวอย่างมากมายของผู้ปฏิบัติมันก็ผิดอยู่อย่างนี้แหละซ้ํซ้ซากๆาเหมือนเหมือนกันหมดแหละตรงที่ไปเพ่งไว้นะั่นก็คือแทรกแสงเรียบร้อยแล้วไม่ใช่รู้แล้วจบลงที่รู้ถ้ารู้แล้วจบลงที่รู้ทํำยังไงเช่นตามมองเห็นรูปใจมันพิจารณาเลยใจมันพิจารณารูปนี้ วิธีนี้ผู้หญิงสวยเนี่ยจิตก็ทํางานต่อมีราคะเนี่ยมันทําของมันเองนะเราไม่ได้ทํานี่หลาเรียกว่ารู้เราจบลงที่รูนะ้ไม่ใช่ตามมองเห็นรูปปุ๊บจ้องเลยไม่รู้ว่ารูปอะไร น, นี่รูปเฉยๆไม่มีผู้หญิงผู้ชายนี่แทรกแซงนะงั้นตามมองเห็นรูปจิตรู้ว่านี่ผู้หญิงสวยจิตเกิดราคารู้ว่ามีราคะรู้ว่ามีราคาเ ร, ร า, าทํำยังไงไม่ทําอะไรก็ดูเป็นไปสิ ถ้าตามดูทุกอย่างที่กําลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานี้เรียกว่าสักวรู้นะไม่ได้เข้าไปแทรกแสง ถ, ถ้าเข้าไปแทรกแสงเมื่อไหร่ไปพยายามล็อกมันไปพยายามห้ามมันไปพยายามรักษามันผู้ปฏิบัตินะอดแทรกแสงไม่ได้หรอกชอบมาถามหลวงพ่อทำยังไงแล้วหนูจะดีทํานั่นแหละแทรกแสงทําไมไม่รู้เอาล่ะหนูควรจะยังไงนะห้ามอะไรบ้างอันไหนไม่ควรอันไหนควรชิดมาก คิดมากย่ากนารู้ลงศีรู้นลงปัจจุบันไปนะรู้ไปเรื่อยเลยจนปัญญามันแก่รอบขึ้นมามันเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวนะจิตมันเป็นกลางเองคราวนี้กระบวนการที่จิตทำงานมันทำของมันเองนะแต่พอตากระทบแล้วจิตพิจารณาแล้วแทนที่อกุศลเกิดอนกะุศลมันจะเกิดแทนสติปัญญามันจะเกิดขึ้นมาแทนในชวนะจิตมจะกลายเป็นจิตที่เป็นกุศลขึ้นมานะแต่บางทีก็อกุศลเกิด กุศลเกิดก็มีสติรู้ทันอีกเนละจิตก็ขึ้นวิถีอันใหม่ขึ้นวิถีใหม่ที่เป็นกุศลจิตก็หมุนหมุนหมุนไปเรื่อยดูเขาทํางานไปนะดูเขาทํางานไปเรื่อยเยดูเล่นเนไปวันหนึ่งปัญญ า, าก็แกกล้าขึ้นมาเห็นทุกอย่างนะมันไหลไปเรื่อยๆเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไหลไปเรื่อยเรเหมือนดวงดาวโคจรอยู่ในท้องฟ้าไหลไปเรื่อยเรไหลไปตามเหตุของมันนะ่ะ จะไหลไปในแง่ใดมุมใดก็ไปตามหลักของมันตามกฎของมันจิตใจก็ทางานไปเคลื่อนไหวไปเราทำหน้าที่แค่รู้นะรู้ไปเรื่อยวันหนึ่งเห็นนะมันไม่ใช่เราหรอกมันทางานของมันได้เองถ้านะตรงเห็นว่ามันไม่ใช่เราก็ได้โซดานะเป็นพระโซดาบันกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราพวกเราบางคนเฉียดเฉียดแล้วนะภาวนามาถึงวันนี้ เห็นกายไม่ใช่ตัวเราเห็นเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราเหลือจิตเป็นตัวเราอยู่อันเดียวตรงเนี้เยอะเลยมาถึงตรงนี้เป็นร้อยร้อคนแล้ตามรู้ตามดูต่อไปนะเห็นจิตเองก็เกิดดับเห็นจิตเองก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจจะเกิดที่ไหนก็สั่งไม่ได้จะห้ามมันก็ไม่ได้บังคับมันไม่ได้แล้วปัญญามันพอนี่ยมันตัดเลย ถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่เราก็จะไม่เห็นว่าสิ่งใดในโลกนี้เป็นตัวเราอีกแล้วเพราะจิตนั่นแหละคือสิ่งที่เรายึดเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราอันนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะพระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านสอนถึงขนาดว่าคนาศาสนาอื่นสามารถเห็นได้ว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่มีแต่ในธรรมวิในสมัยของท่านไม่มีคาว่ า, าศาสนาท่านเรียกว่าธรรมวิในในธรรมวิในของท่านเนี่ยเท่านั้น ถึงจะปฏิบัติเราเห็นได้ว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเพราะนในธ ร, รมวินัยของท่านเท่านั้นน่ะที่จะเกิดพระอยายะบุคคลขึ้นเพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีถ้าคนอื่นนะที่อื่นก็ยังมีร่างกายนี่ตายไปไหมจิตไปเกิดใหม่จิตเป็นตัวเราไปเกิดใหม่นี่ชาพูดส่วนยะมากเชื่ออย่างนี้ด้วยซ้ำว่าร่างกายตายแล้วจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่นี่มิฉาทิฐินะ มิชาทิฏฐิชื่อว่าสัสตตทิฏฐิอีกพวกหนึ่งเป็นพวกนักฟิสิกส์ถ้าร่างกายตายตัวเราก็หายไปศูนย์ไปเลยนี่เรียกอุเฉททิฏฐิมันผิดตรงไหนมันผิดตรงที่คิดว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่มีเราแต่พอตายแล้วเราไม่มีมันผิดตรงนี้แหละเพราะจริงๆตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่มันไม่มีเราเนะี่ยมิชาทิฏฐิมันอดมีเราไม่ได้ อาจจะมีเราถาวรหรือเราชั่วคราวเราถาวรก็ตายแล้วเราก็ไปเกิดอีกเราชั่วคราวก็คือพอร่างกายตายเราก็หายไปเลยทั้งๆที่ในความเป็นจริงตัวเราไม่มีตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละมีแต่อะไรมีแต่ขันห้ามีแต่ขันห้าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่ตัวเรา ความจําได้หมายรู้คือตัวสัญญาก็ไม่ใช่ตัวเราความปรุงแต่งที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นกลางๆงบ้างก็ไม่ใช่ตัวเราอย่างความโกรธไม่ใช่ตัวเราพวกเราที่ภาวนากับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งดูออกใช่ไหมความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโกรธเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาให้จิตรู้ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่แปลปลอมเข้ามาให้จิตรู้ร่างกายก็เป็นแค่ที่อาศัยอยู่ของจิต เวลามีสติขึ้นมานะรู้สึกขึ้นมานะเห็นร่างกายนี้กลวงๆอยู่เหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกกายนี้เป็นคูหาเป็นถ้ำนะให้จิตอาศัยอยู่จิตนี้ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะจิตนี้เที่ยวไปรวดเร็วนะเที่ยวไปรวดเร็วก็วเกิดดับตลอดเวลานะไม่ใช่มีจิตดวงเดียวเนะที่ยงถาวร อ, อยู่งั้นเนี่ยภาวนา ล, ลงไปนะภาวนา ล, ลงไปจะเห็นเลยทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับไปหมดอย่าไปประคับประคองตัวผู้รู้ไว้อย่าไปเพ่งตัวผู้รู้ไว้ ถ้าไปปะครองตัวผู้รู้ไปเพ่งตัวผู้รู้มันจะไม่เห็นจิตเกิดดับจะเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นวิจชาทิฏฐนะิครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อก็เคยไปเรียนกับท่านคือหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าปูเจ้ากก็ท่านสอนเลยว่าถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงมันเป็นวิจชาทิฏฐิสอนขนาดนีนะ้นี่พวกครูบาอาจารย์เขาสอนสอนมานะแต่ว่าเราฟังหูซ้ายออกหูขวานะฟังธรรมะนะั ธรรมะที่ครูบาอาจารย์เปิดเผยให้ของจริงของแท้ทั้งนั้นแต่เราฟังแล้วเราเก็บไว้ไม่ได้เราเก็บได้แต่เปลือกใจเราไม่มีคุณภาพพอที่จะกรองเอาธรรมะไว้เราต้องฝึกมีสตินะใจเราจะกรองเอาธรรมะไว้ถ้าเราขาสตินะอาธรรมเอาไปกินหมดเลยงัย้นเรารู้สึกตัวนะอย่ามาตั้งถามหลวงพ่อนะทํายังไงจิตจะรวมทําไงจิตจะเป็นหนึ่งแล้วโอ้ยเรื่องเล็กนั่นไปถามฤาษีที่ไหนก็ตอบได้ ง่ายหลวงพ่อทํามาตั้งแต่เจ็ดขวบเห็นจะได้เรื่องเลยที่สําคัญคือมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนี่ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้ต่างหากจนเห็นความจริงของเขานะแล้วก็ไม่ยึดถือเขาจิตสลัดมันทิ้งไปถามว่าจิตสลัดมันทิ้งแล้วอยู่ยังไงก็อยู่กับมันนั่นแหละแต่ไม่ยึดถือมันอยู่กับมันแล้วไม่กระทบกันพวกเราบางคนเริ่มลิ้มรสชาตินิดนิดแล้วนะเริ่มมีนิดนิด เช่นเราเริ่มเห็นล้กายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเริ่มแยกกันรู้สึกไหมเริ่มแยกกันเราเริ่มเห็นล้เวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันเริ่มแยกออกจากกันเราเริ่มเห็นล้กิเลสทั้งหลายกุศลทั้งหลายนะีอยู่ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ต่างหากมันแยกออกจากกันหรืออันเดียวเท่านั้นยังถอดจิตออกไปไม่ได้ทิ้งจิตไม่ได้นะถ้าวางจิตได้ น, นั้นหมดเลยนะถ้าปล่อยวางจิตได้ก็คือปล่อยวางทั้งหมดถ้าปล่อยวางจิตได้เป็นพระอรหันต ถ้าเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราเห็นพระโสดาบันลำพังเห็นสิ่งอื่นไม่ใช่ตัวเรานยังไม่ได้โสดาถ้าเห็นลงมาถึงกระทั่งจิตไม่ใช่เราก็ได้โสดาไม่ยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยยึดถือแต่จิตอันเดียวก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์บางคนบอกไม่ยึดอะไรสักอย่างก็ยึดความไม่ยึดนั่นแหละไอ้นี่ก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดฉันไม่ยึดมันยึดในวาทะที่จะไม่ยึดน่ก็ยึด งั้ภาวนานะจนจิตมันวางของมันเองมันสลัดน้ําสลัดวัตจักรมันจะกว่ำลงในใจเหล่านี้เลยขาดจากกันตรงนั้นเลยมันเป็นเรื่องจริงๆนะไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กไม่ใช่นิยายประลำปรลาทําเอาแล้ววันหนึ่งจะเห็นเลยวัตตะจักที่หมุนเวียนอยู่ในจิตเราจะกว่ําทําลายลงไปสังเกตไหมในนี้หมุนติ้วอยู่ทั้งวันเลยหมุนตลอดเวลาดูออกไหมเดี๋ยวสายไปทางตาสายไปทางหูสายไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ เดี๋ยววิ่งไปเพ่งเดี๋ยววิ่งไปคิดในหมุนติ้วติ้ตตอยู่ทั้งวันทํางานตลอดเวลาเลยไม่มีหยุดเลยนะวัตจักไม่ได้ไปหมุนอยู่ในจักรวาลที่ไหนหรอกหมุนอยู่ในจิตนิ่งหมุนติ้วติ้ตต้อยู่ในจิตมันกิดดับอยู่ตลอดเวลาในภพภูมิต่างๆบางครั้งจิตก็สัมผัสเข้ากับโทสะจิตกับโทสารวมอยู่ด้วยกันนั่นเป็จิตของสรตวนรกในขณะนั้นอยู่ในภูมิของสัตวนรกแล้ว บางครั้งจิตก็สัมผัสกับโลภะแนบอยู่ด้วยกันนั่นเป็นจิตของเปรตบางครั้งจิตก็ไปสัมผัสกับความยึดถือในความคิดความเห็นเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะักนั่นเป็นพบของอสุรกายพวกอสุรกายนี่แผ่ส่วนบุญไม่รับนะพวกนี้ไม่เอายึดถือแต่เซลเซลจัดคิดว่ากูแน่กูหนึ่งกูเก่งไม่ยึดถือแต่ตัวกูเหนียวแน่นมากเลยพวกอสุรกายอีกพวกหนึ่งหลง จิตกับความหลงมันแนบอยู่ด้วยกันนะเพลินๆไปนะี่พวกสัตว์เดรัจฉานอีกนะพวกหนึ่งจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลนะมีศีลห้าอยู่นี่เป็นจิตของมนุษย์ของเราต้องนึกดูสิศีลห้าเราครบเยอะไหมวันๆหนึ่ง ห, หรือว่าแต่ละวันกิเลสเดยอะลองคิดดูสิเพราะนั้นจิตของเรานะจิตของผู้ทุชนเนี่ยเวียนอยู่ในอบายเนี่ยมากนะมาก งั้นเมื่อตายลงเนี่ยส่วนใหญ่ไปอับบายไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะพระพุทธเจ้าบอกส่วนใหญ่ไปอบายเพราะจิตเนี่ยหมุนติ้วติติวลงอับายอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวก็ยึดถือในทิฏฐิมานะของตัวเองก็ติ้วติ้วติ้วหมุนไปถังนั้นแหละหมุนลงต่ําไปเรื่อยๆบางทีจิตก็เป็นบุญเป็นกุศลนะมีความละอายบาปมีความเกรงกลัวต่อผลของการทําบาปน เรียกว่ามีเทวธรรมจิตขนาดนั้นเป็นเทวดาบางทีจิตก็สงบแนบอยู่ในอารมณ์ันเดียวแนบอยู่ในอารมณ์ที่เป็นรูปรธรรมเช่นลมหายใจก็ไปเกิดในภูมิของรูปประผลจิตขนาดนั้นเป็นรูปประผลบางครั้งก็ไปเพ่งอยู่ในความว่างพวกนักดูจิตระวังให้ดีนะหลวงพ่อเห็นเห็นหลังๆถ้าไปเรียนที่โน้นที่นี่มาส่วนใหญ่ไปหลงอยู่ในความว่าง เพ่งความว่างบ้างเพ่งความไม่มีอะไรบ้างเพ่งจิตให้นิ่งบ้างเพ่งความว่างเป็นอรูปประจานชนิดหนึ่งชื่ออากาสานัญจายตนะเพ่งจิตชื่อวิญญาณัญจายตนะเพ่งความไม่มีอะไรเลยชื่ออากิจัญญยายัตนะน้อมใจให้แทบไม่รับรู้อะไรเลยชื่อเนวสัญญาณสัญญาัตนะเนี่ยบางครั้งเรานั่งภาวนาเราก็น้อมแทบหมดความรู้สึกเลยนะ โน้นไปพรมัโลกแนละจิตแนบอยู่ในพรมัโลกตายแล้วก็ไปเกิดอีกพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปตรัสรู้ขึ้นมาท่านเกิดคิดถึงเราเกิดเคยทําบุญทําอะไรกับท่านมานึกถึงเราถ้ท่านอุทานด้วยความสังเวชโถมิบัตรริซะแล้วสูญเสียคุณค่าเสียโอกาสจากคุณอันใหญ่คือพระนิพพานซะแล้วก็ระนะมัดระวังนะภาวนาสังเกตดูใจละหมุนติ้วติ้วติ้วสู่พบโน้นพบนี้อยู่ตลอดเวลานะ ถ้าเรารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจมากๆว่าหนึ่งวัตจักรตัวนี้จะกว้าลงไปจิตจะไม่มีความหมุนอีกต่อไปแล้วแล้วก็จะใหญ่กว้างกวางนะเต็มโลกธาตุเลยเต็มเเหมือนอย่างตัวเราใหญ่เท่าศาราเนี่ยเราจะกระดิกตัวไม่ได้แล้วไม่รู้จะกระดิกไปทางไหนถ้าตัวเราเล็กๆนี้เราก็ยังเดินไปเดินมาจิตที่มันวางปล่อยวางจิตไปแล้วเกิดจิตอีกชนิดหนึ่งขึ้นมา เป็นจิตที่กว้างขวา ง, วางไร้ขอบไร้เขตไร้จุดไรดวงไม่มีที่ตั้งจิตอย่างนี้ไม่มีการไปไม่มีการมาเราฝึกไปนะจะจะได้รับความสุขที่สุดเลยถ้าสัมผัสกับรู้จักจิตชนิดนี้จิตชนิดนี้ในอภิธรรมเรียกว่ามหากิริยาจิตมหากริยาจิตพรูบาอาจารย์แต่ละองค์เขาเรียกไม่เหมือนกันหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจหลวงปู่ทุลเรียกจิตหนึ่ง ท่านพุทธทาท่านเรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่บุตราท่านเรียกจิตเดียวเมื่อไม่กี่วันนี้องค์ไหนนันท่านเรียกใจเดียวหลวงพ่อคเขียนพ่อคำเขียนใจเดียวสำนวนไม่เหมือนกันนะแต่เนื้อหาเดียวกันงั้นเราภาคเพี่ยนแล้นะเรายังมีโอกาสเพราะเรายังได้ฟังธรรมเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ละ เราก็ต้องได้ฟังทำด้วยนะตั้งอกตั้งใจคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจรู้ไปนะวันหนึ่งเราจะเจอใจเดียวตอนนี้หลายใจ mm hmm. หลายจิตหลายใจต่อไปจะมีใจอันเดียวใจอันเดียวคือใจชนิดไหนคือใจที่ไม่ทุกแต่ว่าใจอันเดียวเที่ยงไหมมีเที่ยงนะยังเป็นใจอยู่ก็ยังมีเที่ยง mm hmm. แต่ว่ามันเกิดขึ้นมาทีไรนะ mm hmm. มันก็ไม่ทุกอยู่ทีนั้นแหละนะบางครั้งมันก็ประกอบด้วยโสมนัส จิตบางดวงของพระอรหันต์บางดวงก็ประกอบด้วยสมณัติบางดวงประกอบด้วยเบกขาบางดวงประกอบด้วยปัญญาบางดวงประกอบไม่ไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ได้เดินปัญญาปัญญาก็ปัญญาเล่นๆนะไม่ใช่ปัญญาเพื่อจะพาตัวให้พน้นทุกข์พ่อพ้นไปแล้วนะอาจจะพิจรารณาธรรมะเพื่อจะมาเผื่อแผ่คนอื่นนะ จิตก็มีหลายดวงไม่ใช่ว่าจิตพระอราหันต์มีอยู่ดวงเดียวแต่ถ้าเรียกว่าจิตหนึ่งมัง่งจิตเดิมแท้มั่งเลือกใจบ้างแยกจิตเดียวมัง่งใจเดียวมัางเป็นอันเดียวคือมันไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วคงสภาพที่จะไม่ทุกข์เราฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกไปวันหนึ่งเราได้ลิมรสชาติของธรรมะแล้วเราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยเราจะพบว่าโอ้ท่านอาศจ ร, รัต์ท่านคนพบได้ยังไง ใครๆเข้าเกลียดทุกเข้ากลัวทุกเข้าหนีทุกนะท่านให้รู้ทุกไม่น่าเชื่อว่ารู้ทุกไปเรื่อยๆแล้วมันพ้นทุกทุกมีอยู่แต่ไม่มีผู้สวยความทุกไม่มีผู้เสพความทุกใจมันพ้นจากทุกไปมันไม่เสพอะไรเลยเป็นธรรมะที่อัศจริพอสัมผัสเข้านะใจเราโอ้ย มันขนลุกขนพองน้ําตาร่วงเลยนะมันไม่นึกถึงนึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดนี้ว่าทำมาขนาดนี้มีด้วยหรือความทุกข์ขนาดนี้ความสุขขนาดนี้มีด้วยหรือนะเวลาเราภาวนาไปจนใจระวังนะปล่อยวางจิตนะเราจะรู้สึกเลยว่าความสุขมันมหาศาลความสุขอันมหาสาลนั้นรุนแรงถึงขนาดธาตุขันของมนุษย์เนี่ยแทบจะรับไม่ไหวนะแทบจะรับไม่ไหวเลย สุกแทบตายเลยต้องพูดอย่างนั้นนะสุกแทบจะขาดใจตาย ต, ายตรงตรงนั้นเมันสุกจริงๆเนาะอันนี้ฟังครูบาจารย์มาหน้าไม่ใช่หลวงพ่อว่าเองนะ <c oughs> ครูบาจารย์ก็เล่าเล่าสืบสืบกันมาต้องว่าอย่างนี้นะ <c oughs> แต่ภาวนาแล้วจะเข้าใจด้วยตัวเอง <c oughs> พักเพียร น, นะอดตอนเอาแปดโมงพอดีเชิญไปทานข้าวนี่หมดเลยครับนี่หมด